นรกมีจริงพ่อเล่าต่อว่าหลังจากที่พระหลวงตาช่วยทุกคนได้หมดแล้วท่านให้ทุกคนเดินตามท่านไปเดินไปได้สักพักแผ่นดินมันแยกออกอย่างกำเนนิยายพ่อนึกไม่ออกว่ามันแยกได้ยังไงหลวงตาหันมาบอกให้เราทั้งหมดเดินตามท่านขึ้นไปแล้วก็ไปพบวัดป่าบ้านตานี่แหละที่นุ่นไปทำบุญกันเนี้ยจึงรู้ว่าข้างล่างคือนรกนี่เอง ตา้วัดมันเป็นนรกเป็นสถานที่ที่เขากำลังจะตัดสินโทษพ่อด้วยผมขนลุกไปหมดเลยครับคุณลุงโอ้ยน่ากลัวจังเลยพ่อก็ตอบผมกลับมาว่าน่ากลัวจริงๆทำกรรมอะไรไว้นรกมีจริงนะผมถามพ่อไปว่าบุญที่แม่ทำเนี่ยเอามาแบ่งกันได้ด้วยเหรอเพราะนุ่นยังหวงบุญของแม่ขึ้นมาอีกพ่อเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เสมอไป ถ้าเราไม่ทำเองก็ไม่ได้พ่อเพิ่งรู้ว่าพ่อมีส่วนได้บุญด้วยเพราะพ่อให้เงินแม่ไปทำบุญมันอาจไม่มากพอแต่พระหลวงตาก็ต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรว่าเขาเป็นผัวเมียกันเอามาทดแทนกันได้แล้วบุญของแม่เนี่ยเยอะเป็นขบวนรถไฟเลยเขาเลยยอมพระหลวงตานุ่นเลยบอกว่าอย่างนั้นลูกศิษย์หลวงตาก็มีบุญเยอะเป็นขบวนรถไฟกันหมดเลยสิพ่อพ่อยืนยันเสียงเข้มขึ้นมาทันที ใช่เต็มเลยนุ่นเพียบเลยพอต้องไปแล้วนะเขาเรียกแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังใหม่นะแล้วพ่อจะไปยังไงครับนุ่นถามพ่อทันทีที่พ่อพูดจบพ่อบอกว่ารถเขามารับแล้วพ่อบอกให้นุ่นฟังทีหลังด้วยว่าขับนาทีเดียวถึงวัดป่าบ้านตาดเลยไม่ต้องใช้เวลามากขับกันห้าถึงหกชั่วโมงวัดป่าบ้านตาดมีผีเยอะไปหมด ใครไม่มีที่ไปหลวงตาก็ให้อยู่วัดหมดท่านอนุญาตแต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะแล้วทุกคนก็มีสีด้วยนะครับคุณลุงสีเทาสีดำสีเหลืองพ่อนุ่นสีเหลือง หลวงตาปกป้องพ่อผีที่อยู่วัดนั้นก็มีทั้งผีดีและผีเกเรด้วยตอนที่พ่อเสียไปใหม่ๆพ่อถูกผีเกเรรัรงแก่ด้วยโชคดีที่นุ่นเอารูปของหลวงตาใส่ในอกเสื้อ น, นอกของพ่อไปด้วยช่วยปกป้องพ่อเอาไว้ได้ผีที่เกเรพ่อพอเข้ามาใกล้พ่อก็จะถูกดีดไปจากพ่อหมดเลย ทำร้ายพ่อไม่ได้พอเล่าให้พวกเราฟังพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องฟังด้วยความสํานึกในพระคุณของพระหลวงตาหลังจากนั้นนุ่นตัดสินใจบวชชีพราหมอุทิตให้พ่อที่วัดอโศการามและถือโอกาสทํางานถวายหลวงตาที่วัดนั้นด้วยจึงได้บุญสองต่อผมบวชถือศินแปดอยู่สามวันเมื่อกลับมาบ้านพ่อก็มาบอกกับนุ่นโดยผ่านน้าหน่อยเช่นเดิมว่าพ่อได้บุญเต็มที่เลย แต่เทวดาน้าหน่อยถูกดุด้วยละนุ่นพ่อเล่าให้ฟังว่าท่านพ่อหลีที่มรณภาพไปแล้วมาดุเทวดาน้าหน่อยว่าเป็นเทวดาประสาอะไรให้ดูแลร่างมนุษย์ไม่ใช่ปล่อยให้วิญญาณมาเข้าร่างอย่างนี้เทวดาน้าหน่อยอธิบายให้ท่านพ่อหลีฟังว่าสงสารเห็นเขาเป็นพ่อลูกกันและอยากให้ลูกเขาทำบุญให้พ่ออยากให้เข้าวัดท่านคิดว่าท่านน่าจะช่วยได้ท่านจึงได้ช่วยไป ท่านพ่อหลียังดุสำทับอีกว่าอย่าให้บ่อยนะทำอย่างเนี้ยไม่ดีต่อเขาถ้าเป็นวิญญาณอื่นมาแทรกจะแย่นะผมแปลกใจละคนกับความดีใจที่ท่านพ่อหลีเมตตาต่อพ่อผมยังอนุ ญ, ญาตให้พ่อผมมาพูดคุยกับผมได้ตั้งแต่นั้นมาพ่อก็มาหาผมบ้างแต่ไม่ทุกวันนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งมาขอบใจผมที่ผมใส่บาตรไปให้ข้าวค้นบ่ายพระหลวงตาเนี่ย สักสิบนะลูกกินคําเดียวอิ่มทั้งวันเลยพ่อเคยบอกผมมีความเชื่อเรื่องพ่อมากขึ้นทุกวันว่าพ่อมาจริงๆ น, นหน่อยกับแม่ไม่ได้หลอกผมอย่างที่ผมคิดแต่แรกมันเป็นเรื่องที่ผมกับพ่อรู้เรื่องกันเพียงสองคนไม่ว่าผมจะคิดเรื่องอะไรพ่อก็รู้ได้อย่างถูกต้องทุกเรื่อง ผมคุยกับพ่อจนเกิดความเคยชินแม่จึงไม่ได้ใส่ใจมากเหมือนแต่ก่อนพ่อมาหานุ่นและกลับตามเวลาทุกครั้งพ่อจะเล่าเรื่องต่างๆให้นุ่นฟังตลอดรวมไปถึงเรื่องที่พ่อโดนไก่จิกไปทั้งตัวเพราะพ่อชอบฆ่าไก่ในสมัยก่อนแต่ก็ได้พระหลวงตาช่วยไว้พ่อยังขอร้องให้นุ่นสวดมนต์ยาวๆและนั่งสมาธิให้พ่อด้วยพ่อมีความสุขมาก เวลาที่ผมสวดมนต์และนั่งสมาธิพ่อว่าพ่อตัวเบาสบายไม่ได้ยินผมสวดมนต์ผมพยายามหาหนังสือสวดมนต์มาสวดเพื่อเป็นกุศลให้พ่อถึงขนาดไปสัญญาต่อหน้าพระว่าหากผมไม่สบายลุกไม่ไหวจะต้องนอนสวดมนต์ให้พ่อผมก็จะทำรวมทั้งการทำสมาธิด้วยที่ไหนสะดวกอย่างไรผมก็จะทำเพื่ออุทิศบุญให้พ่อ อา น, นิสงของการถวายผ้าบางสกุลพ่อบอกนุ่นว่าที่วัดป่าบ้านตาดของหลวงตานั้นมีพวกวิญญาณมาคอยรับบุญกันจนเต็มรอบศาลาเลยแต่เข้าบริเวณศาลาไม่ได้เพราะหลวงตาอยู่ผ้าขาวที่นุ่นทำบุญให้พ่อพอเอามากันแดดได้คนไหนไม่มีใครทำบุญมาให้ก็ยืนตากแดด พอได้ลมที่แม่และนุ่นทำมาให้กันแดดกันร้อนได้แม้กระทั่งหน้าหนาวผ้าที่ให้มาก็ห่มอุ่นสบายบางคนก็นั่งทาสมาธิรับพรจากหลวงตาใครนั่งไม่ดีก็นั่งอยู่หลังๆถ้าใครนั่งดีก็ได้อยู่หน้าๆใกล้หลวงตาพ่อได้มานั่งสมาธิกับเขาด้วยตามที่ผมได้นั่งให้พ่อผมจะนั่งสมาธิอุทิศให้พ่อทุกวันเพราะผมรักพ่อเวลาผมภาวนา บางครั้งอย่างภาวนาว่าผมรักพ่อจนพ่อต้องมาเตือนผมว่าให้ภาวนาพุโทโธไม่ใช่ภาวนาว่าผมรักพ่อพ่ อ, อยังไปไปม า, มาผ่านน้นหน่อยตลอดมามาบอกนุ่นอยู่เสมอว่าพ่อได้บุญจากการที่หนูนั่งสมาธิให้พ่อพ่อมีพลังจิตดีแล้วแต่พ่อใช้ไม่เป็นแล้วก็หายตัวไม่เป็นนุ่นยังหัวเราะไปกับพ่อเลย เป็นไปได้ยังไงพ่อหายตัวไม่เป็นต่อมาวันหลังพ่อมาอธิบายให้ผมฟังว่าพ่อไปกราบเรียนหลวงตาเรื่องการหายตัวท่านเมตตาสอนว่าให้กําหนดจิตว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกําหนดจิตไปว่าจะไปไหนแล้วก็หลับตาพิจารณาพอเลือมตามาอีกทีก็จะถึงที่หมายพอไปไหนมาไหนก็กําหนดจิตเอาหายตัวได้ทั้งไปและกลับสะดวกดี พ่อบอกว่าเวลาที่จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นบรรดาดวงวิญญาณที่วัดเขาจะซุบสิบกันหลังจากนั้นอีกสองถึงสมวันหลวงตาบอกว่าใครที่ลงให้กับเราให้ขึ้นมาหลวงตาคงจะทำอะไรสักอย่างพ่อบอกผมแค่นั้นผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่รับฟังจากพ่อเท่านั้นบางครั้งเรื่องที่พ่อเล่าให้ผมฟังผมยังไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้เพราะผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย เพิ่งจะมาพบหลวงตาและเคารพนับถือท่านก็หลังจากที่พ่อเสียไปแล้วเช่นพ่อบอกว่าผีที่บ้านตานะลูกเขารวยกันทุกคนก็ทองที่ญาติโยมก็เอาไปถวายหลวงตาซึ่งก็เป็นผลบุญแก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องในปรโลกของเขาทุกคนแต่พ่อไม่มีเหมือนเขาทันทีที่พ่อเล่าทําให้ผมนึกขึ้นได้ สายสร้อยคอทองคําของพ่อพ่อมีสร้อยคอทองคําอยู่เส้นหนึ่งที่พ่อรักมากหลังจากที่พ่อเสียไปแล้วผมก็เก็บสร้อยเส้นนั้นไว้เพื่อระลึกถึงพ่อเพราะเป็นสิ่งเดียวที่พ่อทิ้งไว้ให้ผมจึงรักของผมตอนที่หลวงตาระดมรับบริจาคทองเพื่อช่วยเหลือประเทศแม่จะเอาสร้อยของพ่อไปทําบุญกับหลวงตา แต่ผมไม่ให้แม่พยายามอ้อนวอนอยู่เสมอมาที่จะเอาไปถวายหลวงตาเพื่อพ่อจะได้บุญผมไม่ยอมอยังต่อว่าแม่ไปว่าอะไรอะไรก็ถวายหลวงตาอีกละอะไรก็ถวายหลวงตาหมดด้วยความโง่ของผมผมยังบอกแม่ว่าหลวงตาเอาไปก็เอาไปใส่นะสิพ่อจะได้ที่ไหนผมคิดของผมอย่างเนี้ยตลอดมาจนกระทั่งพ่อมาเล่าเรื่องทองของวัดป่าบ้านตาดัดผมจึงถามแม่ว่า หากเอาทองไปถวายหลวงตาเพื่อช่วยชาติแล้วพ่อจะได้บุญจริงๆหรอแม่ยืนยันกับผมว่าต้องได้สิทําบุญกับพระอระหันต์แล้วพ่อจะได้รับผมจึงบอกแม่ให้เอาแหวนทองของผมที่ใส่อยู่ให้หลวงตาไปก่อนแล้วอธิษฐานว่าหากพ่อได้รับผลบุญของผมแล้วให้พ่อมาบอกผมด้วยคุณลุงครับผมไม่อยากจะลองดีกับหลวงตาหรอกครับเพียงแต่ยังไม่แน่ใจ เราไม่เคยเห็นว่าผลบุนเป็นอย่างไรแต่ผมได้เห็นจริงๆขณะที่ให้แหวนของผมกับแม่ไปผมไม่เคยบอกน้าหน่อยรู้กันเฉพาะผมกับแม่เท่านั้นอยากจะรู้ว่าพ่อจะได้รับจริงหรือไม่ต่อมาอีกสองถึงสามวันพ่อมาหานุ่นผ่านนาหน่อยเช่นเคยในตอนเช้าพ่อบอกว่าแหวนทองที่นุ่นถวายหลวงตาไปนะ่ะพ่อได้รับแล้ว หลวงตาเอามายโยนใส่มือพ่อบอกพ่อว่าลูกก็ทํามาให้พ่อใส่นิ้วเดียวกับที่นุ่นใส่ผมเชื่อว่าพ่อได้รับแหวนที่ผมถวายหลวงตาไปจริงๆผมไม่เคยบอกนันหน่อยปิดเงียบรู้กันระหว่างแม่กับผมและผมเชื่อว่าแม่ก็ไม่ได้บอกนนหน่อยพ่อรู้ได้อย่างไรว่าผมใส่นิ้วไหนอยู่พ่อบอกว่าใส่นิ้วเดียวกับที่ผมใส่นิ้วนางเป็นไปได้ยังไง ลุงอย่าคิดว่าผมเพ้อเจ้านะครับผมได้พูดกับพ่อผมจริงๆผมรู้ว่าผมว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ลุงฟังเนี่ยเป็นเรื่องเหลือเชื่อผมเองก็เคยไม่เชื่อแต่เรื่องทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้และเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ผมได้สัมผัสเองผมอยากเล่าให้ลุงฟังมันอัดอั้นอยู่ในใจผมมาตลอดผมสบายใจขึ้นขอให้ผมเล่าให้ลุงฟังเท่านั้นครับ ต่อมาผมตัดสินใจถวายสร้อยคอที่พ่อรักให้หลวงตาเพื่อเป็นทุนสำรองของชาติตามที่หลวงตาพาให้ทำบุญผมคิดว่าเป็นบุญใหญ่และอยากให้พ่อได้รับบุญจากสมบัติของพ่อเองเมื่อถวายให้หลวงตาไปแล้วพ่อผมมาบอกว่าพอได้รับสร้อยคอของพ่อแล้วขอบใจพ่อใช้สร้อยคอเส้นนั้นมานานแล้วตอนนี้พ่อได้ใส่ของพ่ออีกพ่อขอบใจหนูมาก พ่ อ, อยังยืนยันว่าทาบุญกับหลวงตาและผลบุญจะส่งถึงญาติโยมทั้งหลายจริงๆอย่างที่พ่อได้รับพ่ อ, อยังเล่าให้ผมฟังต่อไปอีกว่าผีที่บ้านตาดเขาดีนะเวลาที่พวกเขาเข้าไปทําบุญเขาจะไปนั่งที่ใต้ร่มไม้วันนั้นป้าที่ไปด้วยกันกับเราเขาไปนั่งในร่มใต้ต้นไม้ด้วยพ่อเห็นเขาจะไปนั่งพ่อพยายามห้ามเขาไม่ให้เขาไปนั่งเพราะพวกผีเขานั่งกันเต็มพ่อเรียก แต่เขาไม่ได้ยินเพราะอยู่กันคนละภพเขาก็ไปนั่งทับอวิญญาณที่นั่งกันอยู่ผีพวกนั้นกระโดดโลดเต้นกันใหญ่บอกว่าเขาดีใจที่มีคนมีบุญไปนั่งทับเขาเขาจะได้มีบุญด้วยเป็นไปได้ยังไงครับลุงสิ่งเหล่านี้ผมมองไม่เห็นและไม่เคยรู้เรื่องพอเล่าให้ฟังผมก็ฟังเอาไว้แล้วมาเล่าให้ลงฟังนี่แหละครับ วันหนึ่งหลวงตาสั่งลูกศิษย์ว่าถ้าใครลงให้เราให้ขึ้นมาวัดป่าบ้านตาดแม่กับน้นหน่อยจึงเรียบเดินทางไปพ่อบอกกับผมว่าจะตามไปดูแลแม่กับน้นหน่อยระหว่างทางแม่ไปแวะเยี่ยมเพื่อนที่วัดแห่งหนึ่งในโคราชพอขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อมีผีตามขึ้นรถมาเป็นขบวนเลยเบียดเสียกกันแล้วแกลงจะให้รถคว่ำพ่อพยายามบอกแม่แต่แม่ไม่ได้ยินพ่อจึงรีบไปกราบเรียนหลวงตา หลวงตาบอกว่าเรารู้แล้วเราจัดการเองพอแม่ไปถึงวัดป่าบ้านตาดเลโดนหลวงตาดุเอาว่าถ้ามาหาเราให้ตรงดิ่งมาเลยห้ามไปแวะที่ไหนพ่อบอกว่าคนที่ทําบุญมากๆจะมีแสงสว่างรอบตัวทุกคนเป็นแสงของบุญที่ทํามาและที่สวนแสงธรรมนาคุติหลวงตามีควายแดงคอยคุ้มกันหลวงตาอยู่ตลอดเวลาด้วย ท่านต้องอนุญาตก่อนจึงเข้าได้แปลกไหมครับผมพิสูจน์ไม่ได้แต่ผมคิดว่าด้วยบารมีของพระหลวงตาผมเชื่อครับ